อันนี้หมายความว่าเป็นที่รู้กันอยู่ใช่ไหมครับลัคนาทิสุการเนี่ยมันสั้นใช่ไหมฮะบอกหนึ่งมีการเว้นหรือว่ามีอ่าไม่กล้าล่วงเป็นลักษณะแล้วก็ไม่มีโทษไม่ทําให้เกิดโทษเป็นกิจแล้วก็มีความสะอาดมีความสะอาดเป็นผลปรากฏมีฮิลิโอตาปะ เป็นเหตุใกล้อ่แต่ละข้อแต่ละข้อนะฮะเราลองมาตรึกดูนะครับข้อหนึ่งก็คือมีการเว้นหรือว่ามีการไม่ก้าวล่วงเพราะฉะนั้นในอารมณ์ทั้งหมดนี่นะครับในโลงนี้เนี่ยเรามันเป็นเหตุให้เราก้าวล่วงได้ได้แทบทั้งนั้นเลยในเรื่องกายทุจริตวจีทุจริตนี้ แล้วก็ลักษณะของกิจคือไม่ก่อโทษให้เรานะฮะอันนี้นี่ไม่เร็วทีเดียวถ้าผู้ใดรักษาศีลนะได้ไม่มีโทษเลยไม่มีโทษทางล่วงเกินทางใครทางกายนี่นะครับก็ไม่มีใครตอบโต้เราทางกายไม่มีเราไม่ล่วงเกินใครทางวาจานะวาจาสุจริตก็ไม่มีโทษทางนั้นคือคือคือตึกแล้วยิ่งเห็นนะครับ แล้วก็มีโดยเฉพาะมีหีรีโอตา ป, ปะเป็นเหตุใกล้เนี่นะฮะยิ่งเห็นชัดใหญ่เลยฮนะเช่นมีหีรีนี่นะครับพราะเราเราเคารพตัวเองแล้วเราก็อะไรอ่ะอายตัวเองนะครับนะจึงไม่กล้าล่วงศีลบางอย่างซึ่งไม่มีใครเห็นเลยและโอตาปามกลัวนรกนะครับกลัวโทษกลัวนรกนี่มันโอตาปาจริงคนะมันกลัวจริงๆเพราะนั้น ล, ล, ลักษณะที่จตุ ก, การนี่นะครับ มันเป็นเรื่องที่เรานำมาเป็นปริญญายกิจได้เป็นธรรมะที่ควรควรกำหนดรู้ก็มีลักษณะที่สุดกยจริงจอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ก็ผมผมมีใครอยากได้ก็มีผมมีนะครับใน ในบารมีที่เราแจกไปเนี่ยจะมีนะมีครบหมดเลยใช่ไหมฮะมีครบหมดทับโอ้มแมลงั้นผมทั้งสิบ<น>เลยนะคือเมื่อกี้ที่ที่ผู้การกล่าวถึงว่ามีการละเวนเนี่ยน ะ, ะคำว่าละเวนเนี่ยจากบาลีว่าศีละนะศีละนะนี่บางท่านแปลว่ามูลรากคำว่าศีละนะเนี่ยน ะ, ะบางท่านแปลว่ามูลรากซึ่ง มีมีการแปลหลายๆอย่างด้วยกันแต่ว่าในคําว่าศีลละนะเนี่ยมีสองความหมายความหมายในที่หนึ่งก็คือสมาทานะสมาทานนี่ก็คือเป็นการควบคุมว่า ง, งั้นควบคุมกายวาจามไม่ให้ละเมิดนี่ในอัตที่หนึ่งของศีลเนี่ยนะสองก็คืออุปธารณะ <c oughs> มีการรองรับว่า ง, งั้นด้ มีการรองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปเห็นะหมท่านลักษณะของเขาก็คือไม่ละเมิดเนไหมนะทางกายทางวาจาแล้วก็รองรับกุศลธรรมชั้นสูงนี่คือลักษณะของของศรรีลเพราะฉะนั้นการอธิบายลักษณะนี้มีอยู่ในอัตถกาธมหานิเทศเห็นไหมอธิบายลักษณะที่จตุกะของศรรีลด้วยในอัตถกามหานิเทศแล้วก็ใน วิสุทธิมรรคศีลนิเทศก็อธิบายลักษณะที่จตุกะของศีลเพราะฉะนั้นที่ที่นั้นจะให้รายละเอียดที่กว้างขวางนะส่วนกิจของศีลเนี่ยมีรสาะาหรือกิจเนี่ยมีสองอย่างกิจก็คือกิจจรสเนี่ยนะกจัดความทุศีลมันเมื่อกุศลศีลเกิดขึ้นเขากาจัดความทุศีล สัมปติรสก็คือความถึงพร้อมของศีลก็คือไม่มีโทษอันนี้คือรัศนะรัศมีรัเนี่ยน ะ, ะ, ะนนะกิจจะลกับสัมปติรสมี2ออย่างด้วยกันรัะมีสองอย่างกิจของศีลคือทำลายความไม่มีศีลกาจัดความทุศีลส่วนความถึงพร้อมก็คือไม่มีโทษเห็นนะแล้วก็มีความสะอาดกายสะอาดวาจาเป็นอาการปรากฏ แล้วก็หิเรสกาโอตาปะนี่เป็นประทัดฐานคือเป็นปัจจัยที่ใกล้ต่อกุศลศีลเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้ที่ไม่ละอายไม่รังเกียจไม่เกรงกลัวต่อกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตบาปอากุศลนั้นจะเป็นผู้ที่มีศีลไม่ได้แต่อย่าลืมว่าถึงไม่ใหม่ไม่อายชั่วกลัวบาปถามว่าน้อมใจเพื่อให้อะกลัวได้ไหมย ใหม่ๆเนี่ยเอ้เราพื้นฐานไม่เด่นรู้สึกรังเกียจต่อบาปอากุศลเลยใช่ไหมยินดีที่จะเล่าเรื่องที่ไรสาระให้คนฟังได้เป็นชั่วโมงเอตอนหลังน่ารังเกียจนะค่อยๆปลูกฝังความคิดนั้นไปเพราะฉะนั้นกุศลจิตนี้เขาบอกว่าทำฉันทาให้มีขึ้นในในสัมมประธานปลูกฉันทะขึ้นไม่มีต้องทาให้มีขึ้นพรนฉันทะนั้นเป็นธรรมะประเภทอิทิบาทด้วย นะเป็นทั้งอธิบดีและก็เป็นทั้งอธิบดีและก็ในส ม, มประทานนี้ก็เอาฉันทะมาเป็นตัวตัวที่อธิบายว่ามีฉันทะพอใจอย่างยิ่งในการเพียรในการกําจัดอกุศลเพียรระวังรักษาอากุศลเพียรเจริญกุศลแล้วก็เพียรตามรักษากุศลธรรมเหล่านั้นเอาไว้ mm hmm. เพราะฉะนั้นการสมทานบ่อยๆเนี่ยนะการสมทานบ่อยๆการตั้งใจบ่อยๆ อ่ะที่ทานบ่อยๆ อ, อย่างนี้เขาเรียกว่าผู้ศึกษาเขาบอกงั้นเป็นศิกขานะถ้าหากว่าขาดการสมาทานขาดการอธิษฐานขาดการปรารบศีลนั้นจะไม่มีผลมากไม่มีอนิสงมากพระพุทธเจ้าสอนให้พระราหุลเนี่ยชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรร ม, มละสามรอบหรือในอนุมานสูตรเนี่ยนะสอนให้ชําระวันละหลายหลายรอบชาระตรวจตราพฤติกรรม คำพูดและก็ความนึกคิดทั้งหมดเลยเนี่ยนะสอบสวนโดยเอาหลักธรรมนั่นแหละมาเป็นเครื่องตรวจสอบเนี่ยนะว่าสิ่งที่ทํานั้นหลักก ว, กว้างก็คือเบียดเบียนตนไหมเนี่ยเบียดเบียนตนเนี่ยเป็นอย่างไรคือทําไปแล้วเนี่ยนะเราเองก็ยังตําหนิตัวเองได้อ่ะก็ชื่อว่าเบียดเบียนตนแล้วใช่ไหมใครเคยบ้างไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยพูดเสร็จแล้วไม่น่าพูดคํานั้นเลยอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการ เบียดเบียนตนอย่างหนึ่งเพราะทําแล้วก็เดือดร้อนใจในภายหลังแล้วตัวเองก็ตําหนิตัวเองได้ก็บอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ทําแล้วกินแหนงใจในภายหลังสิ่งนั้นไม่มีผลมากมากถ้าเราทําแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกเดือดร้อนใจในภายหลังทุกเรื่องเลยเพรา ะ, ะ น, นการเจริญกุศลธรรมหรือกุศลศีลจริงๆนั้นอะ่ะมีนะถ้าคนมีศีลดีเนี่ยมีอวิปปิสารเป็นผล ร, รู้ว่าศีลเ้า ด, ดีขนาดไหนเนี่ยนะเอาเรื่องอวิปัิสารมาตรวจสอบเพราะว่าถ้าหากว่าศีลบริบูรณ์อวิปัิสารก็จะต้องบริบูรณ์ด้วยแต่ถ้าไ อ, เ, อ, เ, อเรื่องโน้นก็ตะคิดตะขวงใจไอเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจเรื่องนั้นก็แสดงว่ากุศลศีลเนี่ยไม่บริบูรณ์เมื่อกุศลศีลไม่บริบูรณ์อย่างอื่นที่ดา่านต่ต่อไปอีกเนี่ยนะก็จะกระพร่องกระแพ่งไปตามนั้นด้วยถ้ากุศลศีลไม่บริบูรณ์ อาทิ่จิตยอย่างไรก็ไม่บริบูรณ์ลองไปเจริญเข้าใจเรื่องเม ต, ตาก็นั่งเจริญเมตตาได้5นาทีหรือเปล่าก็มันะมีความสุขเธอไปแล้วคันนี้คำแรกอาจจะสุขนะคำหลังๆเอ๊ะคนนั้นเอ้วันนั้นไปแล้วนะอารมณ์เคลื่อนแทรกเนี่ยมากว่าืงั้นเพราะอุปนิสัยเราสะสมมาทุกอุปนิสัยแต่กุศลศีลที่รักษาเป็นอย่างดีเนี่ยไปตัดอุปนิสัยหลายส่วนออกไป นะอุปนิสัยที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนก่อให้เกิดความเร่าร้อนก่อให้เกิดความไม่สบายใจ <c oughs> กุศลศีลเหล่านั้นจะไปตัดหมดเลยเพราะว่าศีลไม่จําเพาะแต่ศีลห้าอย่างเดียวใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าศีล น, นั้นมุ่งไปที่จจตุปาริสุทิศ <c oughs> ยกตัวอย่างนะถ้าถ้าเราจะมุ่งแกเจริญกรรมฐานขณะนี้เลยเอถ้าปัจเจเวกอ่อนเนี่ยนะใช้สถานที่แล้ว ใคร่รวประโยชน์อ่อนสมถกรรมฐานก็จะอ่อนตามไปนั้นด้วยวิปัสสนาก็จะอ่อนเลยแต่ถ้าเกิดการปัจเวกหรือการพิจารณาการใครครวนถึงประโยชน์ของเสนาสนะทั้งหมดด้วยและคำหนึ่งในความเป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้นะเสร็จแล้วก็ปาราธรรมะอย่างอื่นง่ายอย่างสมมติถ้าเรามาใช้สอยว่าเออเสนาสนะนี่ก็คือธาตุนะองค์ทําได้แก่วินิโยครูปใช่ไ อวินิโพครูปได้กี่ธาตุเราก็รู้ละวินิโพครูปได้กี่ธาตุได้ห้าธาตุเว้นสัตธาธาตุคือได้รูปธาตุคันธาตุรสทาตุโพธภะธาตุและธรรมธาตุแต่เมื่อมีการกระทบเมื่อไหร่ก็จะเป็นสัทธาธาตุเห็นไหมเพราะนั่นก็คือมหาภูตรูปเป็นต้นนั่นเองเพราะนั่นถ้าเรามีการใคร่ครวญใส่ใจว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นก็คือ ธาตุทั้งหลายเหล่านี้อาแล้วบุคคลที่เข้ามาเนี่ยเป็นธาตุไหมธาตุเท่าไรในในบุรษุษบุคคลนี่มีธาตุเท่ า, ทาไรก็มีนะรูปธาตุกับนามธาต <laughs> ุเอางั้นเลยแหละเอาวันนี้ก่อนยาเอาเยอๆนะ <laughs> นะส่วนใหญ่ท่านจะพูดถึงธาตุหกว่า ง, งั้นธาตุหกคือกลุ่มธาตุดินเนี่ยนะเอาเอาแบบ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยในกระดูกมา้ามหัวใจตับไตไส้ปอดเนี่ยนะอันนี้กลุ่มปฐวีธาตุแล้วถ้าหากว่าเรีเรยนรู้เรื่องธาตุจริงๆเขานับรูปด้วยว่าผมมีกี่รูปในนั้นอัน น, นว่าปฐวีธาตุคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเสร็จ แ, แล้วผมมีกี่รูปในนั้นค่อยมาที่บายอีกครั้งหนึ่งนะนะในวิสุทธิมรรค ก, กับในวิพังอธิบายแยกแยะลักษณะนั้นไหมที น, นี้ถ้าเราใส่ใจโดยความเป็นธาตุแล้วในร่างกายของเราก็มีธาตุหใช่ไหมคือ ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ําก็คือกลุ่มที่เอือบอาบที่มีอยู่ในกายนี้น้ําเลือดน้ําเลี้ยงน้ำหนองน้ํามันข้นน้ํามันเลวน้ําไขข้อน้ํามูกน้ําปัสสาวะน้ำพวกนี้เขาเรียกว่าธาตุน้ําส่วนธาตุลมก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในลมที่พัดทั่วสารพรางกายทําให้เกิดอิริยาบถทรงตัวเป็นต้นเนี่ยนะ ลมที่พัดทั่วสารพางกายเนี่ยทําให้เกิดการนั่งลมพัดทั่วสารพางกายทําให้เกิดการนั่งมีอะไรเป็นสมุทรานมีจิตเป็นสมุทฐานในจิตดวงไหนเนาะเหไหจิตดวงไหนถ้าที่เรานั่งเนี่ยนะวิเคราะห์ได้ไหมว่าที่นั่งเนี่ยด้วยจิตดวงไหนเอาอะไรมาเป็นเครื่องตรวจสอบว่าที่เรานั่งมีมีจิตดวงไหนเป็นเป็นสมุทรานให้เกิดการนั่งรู้ไหยเอาอะไรมาเป็นเครื่องตรวจสอบ อ่พอได้พอได้แต่ถ้าควรให้ตรงๆก็คือธรรมชาติของจิตเนี่ยนะจิตอะไรคู่กับอารมณ์เอาอารมณ์หนึ่งอารมณ์มาตั้งเออเวลาเรานั่งเนี่ยเรากําลังคิดถึงอะไรอยู่สิ่งที่เรากําลังรับรู้นั้นเรียกว่าอารมณ์ทีนี้เมื่อรู้อารมณ์แล้วจะวิเคราะห์จิตอันนั้นวิเคราะห์ยังไงเราถืออารมณ์นั้นโดยนิมิตใดนะก็จะเริ่มตรวจสอบสภาพจิตอันนั้นได้ทีนี้ถ้าฝึกจนทนานาเนี่ยรู้เลย จนทำนานทุกๆอารมณ์ที่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าจิตที่เป็นชวณนะทมจิตตชรูปเกี่ยวกับการยืนเดินนั่งนอนนั้นก็คือทำจิตตชาวายโยธาหรือธาตุลมที่พัดทั่วสารพางกายลมในท้องลมในลำไส้แล้วก็ลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นแล้วก็ธาตุไฟอีกนะธาตุไฟก็คือธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้ร่างกาย สุดโสมแกชาราธาตุไฟที่ทำให้ป่วยไข้แล้วก็ที่ช่วยย่อยอาหารธาตุไฟทั้งสี่แล้วก็บอกว่าก็มีอากาศสาทากกาศสะทากคือช่องนะนะช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องตามคอช่องในส่วนในลำไส้เนี่ยนะช่องว่างๆช่องว่างต่างๆช่องหูต่างๆเหล่านี้เรียกว่าอากาศสะาศเนี่ยนะ เพราะในธาตุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถ้ามีการพิจารณาบ่อยๆใคร่ครวญบ่อยๆว่าเ อ, อสิ่งที่ที่มันนั่งก็คือธาตุสิ่งที่ใช้สอยก็คือธาตุแต่ว่าอาศัยธาตุภายในกับธาตุภายนอกนกระทบกันมันเกิดวิญญาณธาตุใช่ไหมมหาภูตรูปพวกผมคนเล็กเป็นต้นเนี่ยนะมีกายะ ภาาทะเนี่ยนะเพราะว่ามหาภูตรูปเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดกายภาษาทะเนี่ยนะมหาภูตารูปเป็นเหตุใกล้แห่งภาษาธรูปทั้งหมดเลยเั้นเมื่อมหาภูตารูปเหล่านั้นเป็นเหตุใกล้แห่งภาษาธรูปภาษาธรูปกระทบกับอารมณ์ก็ทําให้เกิดกายวิญญาณธาตุเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าที่เรามาคิดอยู่เนี่ยมันมีความคิดเกิดรอไว้ก่อนไหมไม่มีนาะ ไม่มีใครคิดรอไว้ก่อนเลยนะมาถึงแล้วมันมันคิดรอเลยนะไม่มีปื่อเหมือนเปิดเครื่องไว้ไม่มีเพราะว่าได้ปัจจัยความคิดนั้นนั้นจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามวิเคราะห์แต่ละทาวารแต่ละทวารนะจะรู้ว่าความคิดนี้คนละเรื่องกันแต่เป็นอุปนิสัยเกื้อกูลต่อกันทุกความคิดเลยนะทุกๆความคิดเป็นอุปนิสัยเกื้อกูลต่อกันส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งกันและกันโดยปัจจัยตามสมควรแก่ปัจจัยนั้นๆแต่ว่าอุปนิสยปัจจัยนั้นค่อนข้างจะเป็นมหาปัจจัยเหมือนันเนี่ยเป็นปัจจที่ที่มีความสาคัญมากนั้นกุศลศีลถ้าเราสามารถปรารภได้บ่อยๆมากๆ ก, กุศลอย่างอื่นเนี่ยก็จะตามมาเยอะแต่ถ้ากุศลศีลการคำนึงการคร่ครวญอ่อนกุศลธรรมอย่างอื่นก็ ก็อ่อนไปด้วยเนี่ยนะะยกตัวอย่างเช่นถ้ากุศลศีลเราอ่อนเนี่ยนะธรร ม, มนุสติเราก็จะอ่อนธรร ม, มานุสติเนี่ยเจริญอย่างไรก็เจริญว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ช่วยให้สัตว์เนี่ยพ้นจากกองทุกข์ได้จริงทีนี้ <c oughs> กุศลศีลเราก็ยังไม่ค่อยเกิดเอิมจะเอาอะไรมาตัวเป็นตัวพ้นทุกข์ได้ <c oughs> นั่นแหละมันก็ค่อนข้างจะยากพอสมควร วันถ้าเราเกิดการเจริญกุศลไปด้วยแล้วก็ปรับรบคำสอนไปด้วยเนี่ยนะก็จะทําให้เกิดการศึกษาได้ชัดเจนขึ้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าศิกษานไหมศึกษาโดยโดยลําดับกิริยาโดยลําดับกิริยานี้แปลว่าอะไรนีการกระทำนะการตั้งอยู่ในอรหัตผลนี่โดยศึกษาโดยลําดับกิริยาลำโดยลําดับและปฏิปทาโดยลําดับ สิกขาโดยลําดับคือสิกขาสามอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขากิริยาโดยลําดับก็คือทุดงเนี่ยนะถามว่าพวกทุดงก็คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องสันโดดนั่นเอ ง, องพวกทุดงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการสันโดษเพราฉะนั้นทุดงก็คือเกี่ยวกับเรื่องปัจจยัย4นั่นแหละเรื่องทุดงบางส่วนก็คือเกี่ยวกับเรื่องผ้าทุดงบางส่วนก็เกี่ยวกับเรื่อง อาหารทุดงบางอย่างก็เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยแล้ว้อสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องอิริยาบถ ท, ที่เกื้อกูลต่อความเพียรคือในสัตว์ชิกเนี่ยนะวันนี้ไปอ่านว่าภาษารีบุตรเนี่ยท่านไม่เคยเหยียดหลังลงเตียงเลยนะสี่สิบห้าพันษาโหเก่งมากเลยนะสรุปแล้วท่านบวชอยู่สี่บ้าพันษานะสแสดงว่าท่านไม่เคยล้มนอนเลยเก่งมากเลยนะน นั่งหลับนั่งเข้าสมาบัตินั่งอะไรแทนใช้อิรยาบทสามตลอดเลยเก่งจริงๆ45สีบห้ปีนะไม่เคยนอนเลยเลยจนพอท่านอธิบายว่าท่านเป็นผู้ที่มีคาชาคริยานุโยคมากนะถือเนศัตชิกมาตลอดเลย กุศลศีลเนี่ยนะมันปารบบ่อยๆถ้าเราสามารถตารบกุศลศีลได้บ่อยกุศลอย่างอื่นก็จะติดตามมาและแต่ถ้าปารบกุศลศีลอ่อนกุศลอย่างอื่นนี่ก็ก็อ่อนจริงๆด้วยนะกุศลอย่างอื่นก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครั้งที่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องพรหมิหารอยู่นะพรหมิหารนั้นมีอยู่ อีกหัวข้อสุดท้ายซึ่งยังไม่ได้เอามากล่าวก็คือการพิจารณาเมื่อยามที่โทสะเกิดขึ้นเนีย่ยนะพิจารณาวิธีที่หนึ่งเขาว่าไงนะพิจารณาวิธีที่หนึ่งก็คือพิจารณาถึงโอวาทในพระ ส, สูตรต่างๆเป็นต้นทีนี้การพิจารณาในโอวาททั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะใน หัวข้อในอุบายเป็นเครื่องกำจัดความโกรธวิธีสุดท้ายซึ่งยังไม่ได้เอามากล่าวซึ่งจะไดเอามากล่าวในวันนี้เลยวิธีสุดท้ายนั้นก็คือวิธีที่9เนี่ยนะคือการแยกธาตุนะวิธีที่9ให้ทานใช่ไหมทานสังวิภาควิธีที่8ปดกันทีที่8ก็คือแยกธาตุเห็นไหมคือพูดถึงคนที่ที่กําลังเจริญเมตตาอยู่ใช่ไหมเพราะการเจริญเมตตามจะต้องมีลําดับ ถ้าเจริญเมตตาประสงค์ที่จะให้จิตเป็นกุศลอย่างยาวๆานะเพื่อเป็นอุปนิสัยแห่งการเจริญชานกุศลที่เป็นเมตตาโมนโนกรรมเนี่ยนะก็ต้องมีลำดับนับตั้งแต่การเจริญให้ตัวเองก่อนเนี่ยนะสองเจริญให้แก่คนที่เราเคารพข้อ3เจริญให้แก่เพื่อนเป็นต้นเนี่ยนะแกคนที่เราค่อนข้างมีความสนิทสนมคุ้นเคย คนที่เราชอบพอใจเนี่ยนะแล้วก็เจริญให้คนกลางๆคนทั่วไปสุดท้ายก็เจริญให้ศัตรูถ้ามีศัตรูนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีศัตรูเนี่ยเพราะว่าคนถ้าหากว่าในสี่คนเนี่ยทั้งตัวเองคนที่เคารพคนที่เรารักและศัตรูเนี่ยนะถ้าหากว่าในสีคนเนี่ยเจริญเมตตามไม่เสมอกันเนี่ยไม่สามารถที่จะทำ อ่าเรียกว่าสาัสีมะสามเพทะหรือทำลายเขตแดนเป็นต้นได้เมื่อทำลายเขตแดนไม่ได้การทำฌานเป็นต้นก็ไม่ได้เนี่ยนะมันก็จะจะต้องเจริญให้แก่ด่านสุดท้ายคือคนที่เราเกลียดเพราะว่าศัตรูที่ที่สำคัญของการเจริญเมตตาก็คือกิเลสสายโทสะเพรา ะ, ะนั้นที่โทสะมันเกิดก็แสดงว่าเราไม่ชอบในคนนั้นนั้นเนี่ยนะ ส่วนใหญ่ก็จะกรกคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูคู่เวรคู่อาฆาตซึ่งเขาเคยทำความเจ็บช้าน้ำใจให้แกเรานะที่เราโกรธคนนั้นๆเพราะอะไรหนึ่งคนนั้นเคยทำความเสียหายให้แกเราใช่ไหมคนที่เรานึกเกลียดเนี่ยนะนึกถึงหน้าเมื่อไหร่เนี่ยโทระเกิดทันทีเลยคนนั้นเคยทำความเสียหายให้แกเราหรือเขาจะทำความเสียหายให้แกเราอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเขากําลังทําความเสียหายให้แก่เราหรือคนนั้นคือคนที่เคยทําลายคนที่เรารักหรือว่าจักทาลายคนที่เรารักหรือกําลังทําลายคนที่เรารักหรือคนนั้นเป็นคนที่เคยช่วยเหลือศัตรูของเราคนคนนั้นเขาจักส่งเสริมศัตรูของเราเขากําลังช่วยเหลือศัตรูของเราเห็นไหมอันนี้คือคือบุคคลที่เราเกลียดเห็นไหม เมื่อบุคคลเหล่านี้เนี่ยถามว่าในขณะที่เราจะเจริญเมตตาเอาเป็นการเป็นงานเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถเจริญเมตตาให้แก่เขาได้ว่าเขากับเราไม่ต่างกันเนี่ยถ้ายัางจะทําใจอย่างนั้นไม่ได้การที่จะเรียกว่าแพ่เมตตาเจริญเมตตาไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทิศเบื้องบนเบนืบ้องล่างเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูนี่ก็อยากทําทไม่ได้เนี่ยนะพอไปนึกถึงคนนั้นเมื่อไหร่นะั่นนะโอตั้งเขามาตไปเยอะเลยนะ บอกว่าฝนเนี่ยจะตั้งเข้ามาใช่ไหมเมฆอันเดียวมาเป่าพุทนะฝนหายเลยไม่ตกเลยเนี่ยนะทีแรกก็ทําท่าจะตกดีดเนี่ยนะเมตตาทีแรกตั้งใจจะเจริญดีดีพอคนที่เราไม่ชอบใจโผล่หน้าโผล่แววตาโผล่เป็นต้นมาในทางความคิดเนี่ยนะพยาบาทวิตตกเกิดขึ้นหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นในขณะนั้นก็เมตตาก็เลยหมดเลยมันก็ต้อง บุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งๆ ท, ที่เราก็นึกถึงโอวาทนึกถึงคําสอนแล้วก็ใช้อุบายวิธีแนะนําสั่งสอนตัวเองคิดหาความดีของเขาก็ยังไม่หายโกรธนะก็ยังก็ยังรู้สึกตึงเหงิด ต, ตึงหงิดอยู่ในใจอีกทีนี้ทําไงเขาท่านก็บอกว่าควรจะแยกธาตุในการแยกธาตุส่วนหนึ่งที่ที่มีความสําคัญเลยก็คือถ้าคนที่เจริญอาการสามสิบสองมาระดับหนึ่งก็ นั่งไล่เลยใช่ไหมโกรธผมของเข้าใช่ไหมโกรธเล็บโกรธนั่นนะหนังโกรธเนื้อโกรธฟันโกรธขนโกรธนั่นนะไล่ไปเลยนะฮะอาการ32โกรธผมโกรธเล็บโกรธฟันโกรธหนังโกรธเนื้อโกรธเอ็นโกรธกระดูกหรือโกรธเยื่อในกระดูกโกรธม้ามโกรธหัวใจโกรธตับโกรธไตโกรธไส้โกรธปอดโกรธอะไรกันแน่เหมืกัน ก็มานั่งถามไล่ไปเลยนะโกรธในส่วนไหนของเขาโกรธน้ำลายโกรธน้ำตาโกรธเปลวมันโกรธน้ํามันข้นน้ํามันเลีวน้ําไขข้อือโกรธปัสสาวะของเขาหรือโกรธอะไรกันแน่โกรธอุจจาระของเขาโกรธลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเขาะโกรธธาดดินธาดน้ําหรือธาดลมหรือธาดไฟที่อยู่ในนั้นกันแน่โก็ถามหาอาการสามสิบสองหรือสี่สสองเนี่ยมันนั่งไล่เลยทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยโกรธอะไร ะเคยไล่ไหมคือทีมโกรธแล้วมันนั่งไล่ไม่ได้แล้วโกรธแล้วนะยิ่งไ ล, ยงลยนะ่ยิ่งโกรธหมดเลยนะยิ่งไล่ยิ่งโกรธเลยนะจะแสดงว่ารุนแรงมากไฟรุนแรงมากเชื้อเพลิงมันแรงไฟคือโทสะนี่เผาแรงจริงๆไหาอย่าลย นึกนึกถึงผมผมก็ไม่เลยนะนึกย้อนเข้ามาภายในไม่เหมือนกันเอกไกยเลยนะเอถ้านึกมาภายในก็ไม่เหมือนกันนี่กลยจะได้ดีแล้วก็เบื่อไปหมดเลยนะแต่ทีนี้ต่อไปนะก็โดยขันห้าใช่ไหมเอก ร, รูปประขันโรรูปประขันนี่โรปประขันมียี่ปดใช่ไหม โกรธปฐ韦โกรธมหาภูตรูปสี่โกรธลักษณะที่แค่นแข็งที่มีอยู่ในตัวคนนั้นใช่ไหมโกรธอาโปธาตที่มีลักษณะเออบอาบโกรธธาตลมที่มีลักษณะพัดไปมาหรือโกรธธาตไฟที่มีลักษณะร้อนในตัวของคนนั้นเนี่ยโกรธส่วนไหนโกรธจักขคูภาษาธาของเขาซึ่งเป็นผลของกรรมหรือเปล่าโกรธโซตตาภาษาธะโกรธคาณาภาษาธะโกรธชิวหาภาษาธะ หโกรธกายยะภาษาธากายยะภาษาธามีเกือบทั่วสารพรางกายโกรธตั้งแต่ไหนตั้งแต่หัวโกรธเท้าเนี่ยโกรธส่วนไหนโกรธหมดเลยขอให้เป็นคนนั้นเน่ยโกรธหมดแหละแสดงว่าเอาเรื่องแล้วนะมีหน้าโพลยัอองสอนให้เจริญเมตตาถ้าไม่เจริญเมตตาเนี่ยยังไงก็เจริญกรรมาฐานต่อไม่ได้ ทีนี้ต่อไปถ้าหาว่ามันพิจรารณาอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมแล้วก็โกรธอะไรอีกนะโกรธวิญยัตี่รูปซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานหรือโกรธอาหารชรูปเนี่ยนะแล้วก็ไล่สมุทฐานของรูปประขันให้หมดเลยแล้วก็ต่อไปก็ไล่เวทนาขันเนี่ยนะ เ, เวทนาเนี่ยเขาเมื่อรับอารมณ์ที่ดีก็เป็นสุขเวทนารับอารมณ์ที่ไม่ดีก็เป็น ทุกเวทนารับอารมณ์ธรรมดาก็เป็นอุเบกขาเวทนาเอ๊ะเราโกรธในเวทนาเขาส่วนไหนกันแน่ใช่ไหมหรือโกรธในสัญญาขันของเขาโกรธในสังขารขันโกรธภาษาเจตสิก ข, ของเขาโกรธเอกคตาเจตสิกโกรธชีวิตตินซีเจตสิกโกรธวิตกวิจวิตกเจตสิกโกรธวิจารณเจตสิกหรือโกรธโทสะเจตสิก ถ้าโกรธโทสะเจตสิกก็ต้องอันนี้ก็โทสะด้วยเหมือนกันนะนน่าจะโกรธ พ, รพอๆกันใช่ไหมน่ารังเกียจเหมือนกันเนะี่โกรธเจตสิกดวงไหนโกรธศรัทธาเจตสิกของเขาถ้าเขามีภวังขจิตเนี่ยผวังขจิตเขาเป็นชาติวิบากใช่ไหมผวังขจิตของเขาก็มีศรัทธานะโกรธภวังขจิตไอ้ที่มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีหิริโอตัปปะมีอโลภะมีจัตตระมัจจตตา มียุคคนละทำเจตสิกที่เกิดในตัวของเขาอ่ะเอ๊ะ <Hey. S 1> โกรธส่วนไหนกันแน่นะไล่เจตสิกหรือโกรธจิตของเขาอ่ะนะโกรธวิญญาณนขันโกรธวิญญาณนขันโกรธอากุศลและจิตของเขาใช่ไหมเอา้อาอกุศลเขาก็มีโทษของเขาอ่ะเขาก็ให้ผลเป็นความทุกข์ของเขาไปโกรธทำอะไรเอ่อสมมุติว่าถ้าเราโกรธวิญญาณเขานะฮะแสดงว่าเราต้องโกรธ รูปแหละเพราะว่าวิญญาณมันเกิดจากจากรูปรูปรม์และวัตถุใช่ไหมครับจึงเพราะฉะนั้นนะเอ๊ะเราโกรธอะไรกันแน่อันทีจริงไล่ไลไปแล้วมันก็ไม่เจออะไรทักอย่างกันนะกระบอกว่าถ้าพูดโกรธวิญญาณเท <c oughs> ่ากับสมมุติว่าจากครูวิญญาณเขาต้องไปโกรธจากครูภาษาท่าเขา <c oughs> ต้องไปโกรธรูปรม์ของเขารูปรมอั น, นั้นอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะ <c oughs> <c oughs> จึงจะชื่อว่ากโกรธวิญญาณเขาเพราะว่าวิญญาณนี้อาศัยวัตถุและอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ไปกโกรธนานาคันิ ก, กรรมที่เขาทำให้เกิดวิญญาณอันนั้นสมมุติว่าเป็นเป็นวิวิญญาณที่เป็นเพศวิบากไปกโรปกรธประตูปัญเชียปัใจจัยให้วิญญาณนั้นเกิด<ช>จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เราโกรธแต่ก็ยังโกรธอยู่ใช่ไหยครับ ส, ส อ, มมมมอันนี้จริงถ้ามาคิดคิดดูนมันมันก็เหมือนกับเราเราไปโกรธ ด, ดมดมแรงๆอยู่ดีแล้วไม่มีไม่มีตัดไม่มีบุคคลจริงๆไม่มีคือไม่น่ากโกรธนะแต่เอวิชาแท้ๆเลยนะมันทําให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้เหมืะนกันงั้นพอเรามาคิดของเราบ้างเออของเราก็เป็นอย่างนัเหมือนกันนะครับ <S <S 2> <S 2> สแสดงว่าไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรเลยครับสแสดงว่าเราก็ต้องขึ้นอยู่กับ อารมณ์หกแล้วก็ขึ้นอยู่กับอายตนะภายในหกมันจริงจะเกิดวิญญาณที่เกิดโกรธขึ้นเชิงพาณใช่มันก็เลยยิ่งยิ่งหาอะไรโกรธกันไม่ได้เลยอบอกว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะความโกรธก็หาที่ตั้งไม่ได้เหมือนผักกาดบนปลายเหล็กแหลมว่างั้นไม่รู้จะไปตั้งตรงไหนอ่ะเนาะก็ลไล่ไปอีกใช่ไหม ไล่จิตเนี่ยเราโกรธโทสะมูลจิตของเข้าหรือเปล่าเนี่ยโกรธแบบอสังขาริกหรือโกรธไอ้โทสะมูลจิตประเภทสังขาริกถามหรือโกรธวิจิกิจชาสัมปยุตตจิตหรือโกรธอุทจฉาสัมปยุตตจิตก็ถามไล่ไปเรื่อยใช่ไหมโกรธจากครูวิญญาณโกรธจากครูวิญญาณประเภทกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากดิโกรธโสตะวิญญาณกุศลโสตะวิญญาณมีสองทั้งกุศลวิบาก เอเวลาคนเขาถูกด่ามาอย่างนี้เราก็เราก็ยังโกรธเขาอีกลเลยเขาไม่ได้รับวิบากที่ดีก็ยังโกรธอีกเลยอย่างเงี้ยไรคานะวิญญาณอีกสองเขาทานอาหารเราก็ยังรู้สึกโกรธเขาอีกอย่างนี้เลยหรือกายวิญญาณเนี่ยเขาปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นวัดก็อชอบอีกเออดีดีดีสมความสมความปรารถนาเรา่ะแสดงว่าใจเรานี่มันไม่ธรรมดามกันเนาะอันทีจริงถ้าโกรธตาเขานะฮะต้องไป โกรธเจตนาที่เป็นกุศลของเขาที่ทําให้เกิดตานะต้องไปโกรธอาหารจากตลาดนะครับที่มาทําให้ตาเขามามาเป็นปัจจัยเป็นอาหารชัรู่ให้ตาเขาเนียต้องไปโกรธอาหารตลาดด้วยนะครับแล้วต้องไปโกรธไอ อ, อ, อุตุ ด, ด้วยนะครับเอ๊ไปโกรธอุตุนี่เรานี่บ้านแน่แนเลยนะถ้าเรือ ว, ว่าเราโกรธอาหารเนี่ยนะมันตรงบ้านแน่แนเลยอันนี้จริง การแยกทานนี่ดูดูช่วยได้เยอูดูว่อจะแยกใครดีเช่นปะหรือไปไปมามาเราม่นั่งกโกรธอะไรเนี่ยนะเรานี่ยกำลังบ้าหรือเปล่าแต่ก็โทรศัพเนี่ยนะมันก็สายอากุศลอ่ะเนาะมีโทษอ่ะก็ไล่ไปด้วยนะแล้วเราก็ไล่ไปจนถึงมาหากุศลของเขาอีกเอ๊ะถ้าเขาให้ทานเราโกรธเขาขนาดเขาให้ทานอีกเอ๊ะเรานีนชักชักแย่แล้วนะ ขณะดเขาทําดีเรายังไม่อนุโมทนาเอากแสดงว่าเต็มทีแล้วโกรธมหากุุล ญ, ญาณสัมปยุทธของเขาโกรธญาณวิปยุทธหรือโกรธมหากุรุษสังขาริกหรือโกรธมหากุศลสสังขาริกไล่ไปเรื่อยเอถ้าไปโกรธพระเริยเจ้าโกรธมหากิริยาของเขาแย่เลยนะแย่มันนะคันนี้เออันนี้ผมว่าถ้าเรานํามาตรึกคงจะเกิดประโยชน์มากตอลองๆเอาไปตรึกดูนะแล้วก็ มันจะได้มันจะได้อ่าอ่าเหตุเหตุผลทั้งหมดเลยทั้งฝ่ายอารมณ์ทั้งฝ่ายอารมณ์ก็แน่นอนเลยยกขึ้นมาทักอารมณ์หนึ่งเนี่ยแล้วเราก็ไปโกรธอารมณ์นั้นเนี่ยเราก็เป็นเหมือนคนบ้าจริงๆพอมาโกรธถึงวัตถุที่ให้จิตเกิดเราก็ไล่ไปถึงปัจจัยต่างๆใช่ไหมครับเจนทานพอมาถึงตัววิญญาณนี่เราก็ไปโกรธผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกภพตาชีวิตติทรีมนัธิการเออไปโกรธในพวกนี้ใช่ไหมครับเจครับ หรือถ้าเกิดว่ามาถ้าสมมติเราไปโกรธที่จิตที่เขาอยู่ในชวนะนะครับเอออันนี้ท่านลองไล่ให้ฟังหน่อยดีครับใช่หรือว่าโกรธชวนะดวงที่หนึ่งหรอเปลาเอาเป็นว่าชวานะเอาที่เรียกว่าเอาเป็นบ่ต้องพูดถึงกุศล น, น ะ, ะถ้าถ้าเป็นกุศลนี่เราเราเห็นชัดๆว่าไม่น่าจะโกรธอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่นะเห็นเขาทําดีเกินกว่าเราเนี่ยมาไม่ใจเขาทําไมเ <laughs> บ, บางคนเนี่ยริศก็ยคืออิริษยานี่คืออะไรรู้ไห ม, มก็บอกว่าขอความอัศจรรย์นั้นจงเป็นแต่ของเราพอยงเพื่อเดียวะนะอันนั้นคือลักษณะของริษยาคำว่างั้นอิจฉาริษยาเนี่ยนะมันก็คือเห็นเขาเขาอัศจรรย์กว่าเราอ่ะยังนึกไม่พอใจอีกทีนี้ถ้าชาวนะของเขาเป็นอาคุศลเนี่ยนะคือชาวนะที่เป็นอาคุศลไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วโลภะเขาเกิดขึ้นทันทีใช่ไหม โลภะเนี่ยก่อนจะเกิดขึ้นยากนะจะว่าว่ายากมันก็ยากกันนะเพราะคนที่โลภะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะหนึ่งต้องมีผวังก่อนใช่ไหมมีผวังสมมติว่าผวังเข้าเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะคนนั้นเนี่ยกว่าเขาจะมีโลภะเนี่ยนะเขาต้องทําบุญมาตั้งมากเพื่อให้มันมีผวังก่อนใช่ไหมผวังนั้นเป็นจิตชาติวิบากเขาอาจจะปฏิสนธิมาด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งก็ได้เสร็จแล้ว กว่าอารมณ์ที่โลภะนั้นจะมีขึ้นสมมติเขาไปไปโลภะบางอย่างเนี่ยนะเมื่อไปโลภะเพศตรงข้ามอายุสักเท่าไหร่ดิอายุห้าสิบ อ, อย่างเงี้ยกว่าจะเลี้ยงข้าวปลามาจะถึงอายุห้าสิบเนี่ยนานนะกว่าโลภามันจะเกิดขึ้นไปได้สิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยโู้แล้วโลภานี่กว่าจะเกิดขึ้นนะยังมีเหตุตัปัจจัยเกิดร่วมด้วยเนี่ยนะมีโลภะเหตุมีโมหะเหตุเกิดร่วมขนาดนั้น บางครั้งเนี่ยโลภะเนี่ยเป็นฉันทาทิปติบางครั้งโลภะเป็นวิริยาทิปติบางครั้งโลภะเป็นจิตตาทิปติเนี่ยนะเพราะโลภะนั้นเนี่ยแสดงว่าอารมณ์เนี่ยไม่ธรรมดานะจึงเป็นอารมณนาทิปติได้อย่างไง ม, มานั่งไล่ความคิดอันนั้นของเขาอะ่ะกว่าเขาจะคิดได้ขนาดนั้นเนี่ยโอ้ปัจจัยทั้งเยอะแยะแม่เราอุตส่าห์ไปโกรธเขาเนาะแล้วเราก็ต้องฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆ อ, อ่าเดี๋ยวไล่มามาที่ ยตนะก่อนนะไอ้โกรธ จ, จักขายตนะของเขาหรือเปล่าเนี่ยนะจักขายตนะคือโกรธตาเขาตานี่เป็นกรรมมชรรปกรรมในอดีตที่ทำให้มีตาแบบนั้นอะ่ะที่เราไม่ชอบอะ่ะหรือโกรธรู ป, ปายตนะโกรธสีของเขาในตัวของเขาเนี่ยนะไอ้สีก็มีมหาภูตรูปเป็นปัจจัยล้วโกรธสีหรือโกรธหูของเขาโกรธโสตายตนะ หรือโกรธเสียงของเขาซึ่งมีสมุธฐานสองนะเกิดจากท่าทาในตัวเขาส่วนใหญ่ก็เกิดจากจิตใช่โกรธเสียงซึ่งมีจิตเป็นสมุธฐานหรือโกรธคานะภาษาธะหรือโกรธคันกลิ่นเนี่ยนะคันธายตนะนซึ่งเขามีกลิ่นตั้ ง, งหัวจรดเท้านั่นแหละทุกส่วนเนี่ยให้กลิ่นหมดเลยถ้ายังดูดีก็กลิ่นดีหน่อยถ้าเลี้ยงไม่ดีก็กลิ่นไม่ค่อยดีนักน่ เพราะว่าตั้งแต่หัวโจรสเท้าเนี่นะผมยังมีกลิ่นเลยนับภาษาไรเล็บนะมันทั้งตัวเลยมีกลิ่นหมดเลยแล้วมีรสด้วยนะมีรสายตนะมีแล้วเขามีลิ้นและทุกส่วนของเขาเป็นมีรสายตนะเกิดร่วมด้วยเขามีกายายตนะมีโพธพายตนะเขามีมานายตนะแล้วก็มีธรรมายตนะโกรธอายตนะใดดีเนอะในสิบสองอายตนะนี้ อะไรอายตนะทั้ง12เลยนะแต่ก็โกรธเอ้โกรธธาตุหรือเปล่าเนี่ยโกรธจักขู่ธาตุคำว่าธาตุก่อนนี้สัตตานิชชีวะสุญยะสภาวะมีจริงแต่ว่ามันไม่ใช่สัตว์อยู่ในนั้นไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่บุรุษไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชีวะไม่ใช่อัตตาอะไรอยู่ในนั้นซากอย่างตาก็มีจริงเป็นธาตุชนิดหนึ่งเออเรียกว่าจักขู่ธาตุสีในตัวของเขาก็เป็นรูปธาตุ อาศัยตากับสีเกิดการเห็นเกิดจักขูวิญญาณธาตุภัสสเวทนาเกิดร่วมเป็นธรรมธาตุเอ้โกรธาตุไหนดีนะในในขณะเขาเห็นเนี่ยธาตุสีเนี่ยจักขูธาตุรูปธาตุจักขูวิญญาณธาตุหรือธรรมธาตุดีเวลาเขาได้ยินเขาก็มีโสตธาตุมีสัทธะสัทธะธาตุมีโสตวิญญาณธาตุแล้วก็มีธรรมธาตุเกิดร่วมกับโสตวิญญาณธาตุเอ้สี่ธาตุเนี่ยโกรธาตุไหนดี คำถามโกรธแล้วมันไม่ค่อยนึกอย่างเงี้เถิ่นนะนึกอย่างอื่นแทนอะ่ะตรงนี้แหละโหเพราะถามช่วยไม่ได้เลยก็บอกว่าไข้ขึ้นเนี่ยนะบอกว่ายานี้แก้ได้แต่ว่าลืมกินยานี่ก็แย่แล้วมั้นยาดีขนาดไหนก็แก้ไม่ได้ ถ, ถ้าวิเคราะห์ยังลืมโกรธแล้วครับอลืมไปนานแล้วแต่ว่าถ้ายิ่งตรึกแบบนี้บ่อยๆก็จะให้เห็นถึงความไม่เป็นสาระที่เราไปไปโกรธเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเวลาเลิกโกรดก็เลยเลิกวิเคราะห์วันหลังโกรธจะได้มาวิเคราะห์ใหม่หรือเปล่า <laughs> ไม่ต้องรอให้มันโกรธก่อนแล้วค่อยวิเคราะห์ก็ฝึกวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นเลยให้มันชํานาญก่อนเวลาโกรธก็จะได้ไล่ได้บัน <laughs> ทีมันความโกรธมันมืดขึ้นมามนทําให้หน้ามืดขึ้นมาเนี่ยวิเคราะห์อะไรไม่ออกหรอกนะทีมันด่าเข้าไป ท, ทําทีเลยนะจนถึงคําสะ บ, บัสาบานออกมาซะก่อนนี่ก็โอ้ยเดือดร้อนเนะี่ยนะทุลวงศีลมาแล้วนะ เนเป็นวัจจีทุจริตไปแล้วก็ไล่ไปอีกใช่ไหมได้กี่าก ธ, าธาตุละโกรธคานาธาตุโกรธกลิ่นคือคันธาตุหรือโกรธคานวิญญาณธาตุหรือโกรธธรรมธาตุที่เกิดร่วมกับคานวิญญาณธาตุโกรธชิวหาธาตุโกรธลิ้นหรือโกรธระสาธาตุโกรธชิวหาวิญญาณธาตุโกรธาตุไหน กรธกายธาตุโกรธโพธาตธาตุหรือโกรธกายวิญญาณธาตุไรเนี่หรือว่าเราโกรธมโนธาตุโกรธปัญจทวาราวชนะจิตกับโกรธ ส, สัมปติชนะจิตหรือโกรธธรรมชาติธรรมธาตุนะพวกธาตุน้ําเนี่ยนะอาปโปธาตุนี่ก็เป็นธรรมธาตุตัวอาปโปตัวประจักรูปภาษาธาต เ, เป็นจักรูปธาตุนีหรือว่าโกรธโอชารูป หรือว่ากโกรธอากาศรูปหรือกโกรธวิญญาติรูปหรือว่าไปโกรธลักษณะรูปสี่วิการรูปสามซึ่งมันเป็นธรรมธาตุโกรธธาตุไหนแน่ใช่ไหมหรือว่าโกรธมโนวิญญาณธาตุของเขามโนวิญญาณธาตุคือสันติรณจิตหรือว่าไปโกรธปันมโนทวาราวชนะจิตหรือว่าไปโกรธชวณะจิตโลภะโทสะโมหะหรือกโกรธมหากุสระจิตหรือว่าโกรธภวังกจิตของเขา โกรธธาตุไหนกันแน่ในธาตุทั้งหลายเหล่านี้โกรธ菩萨ซึ่งเป็นธรรมธาตุนะเจตสิกทั้งหมดเป็นธรรมธาตุก็นั่งไล่เลย菩萨เจเออ菩萨ก็ธรรมธาตุให้เราโกรธธรรมธาตุให้เวทนาก็เป็นธรรมธาตุนะโกรธเวทนาโกรธสัญญาโกรธเจตนาโกรธเอกขัตาชีวิตติสีหรือโกรธมนสิการเจตสิกกันแน่มนสิการบางครั้งก็เป็นโยนิโสมนัสิการบางครั้งก็เป็นอโยนิโสมนสิกานโกรธมนสิการดวงไหนของเขาดี โกรธวิถีปาติปาทกะมณสิการหรืออารมณมณปฏิปาทกะมณสิการจะโกรธมณสิการไหนดีเนี่ยไล่ไปเรื่อยนั่งไลนั ELLER ่งไล่ให้มันหมดเนี่ยหมาเกือบจะเกือบจะตรัสรู้ทมเลยเนาะเอาถ้าหากว่าหาอารมณ์ที่โกรธไม่ได้ก็หาอารมณ์ที่โลภจะไปยึดไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมถ้าหาที่โกรธไม่ได้ก็แสดงว่าหาที่ยึดไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนะท่านก็ต้องมันตรึกไงบ่อย <c oughs> หรือโกรธสัจจะในตัวเขาหรือปะ่ะในตัวคนคนหนึ่งนี่มีสัจจะเท่าไหร่เนในีคนหนึ่งนี่มีกี่สัจจะก็ทุกข์ถ้าปุตุชนนะสัจจะได้สองคือทุกข์กับสมุทยัยถ้าภาเรยาบุคคลได้สัจจะสามคือทุกข์สมุทัยและมรรคนิโรธอยู่ตรงไหนอะ เนโรต์เนโรตอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนอยู่หนาผัก <S <S 1> <S 1> เออนะนิพานอยู่ตรงหนาผ ต, ตรงตรงไหนดีไม่มีล็อกไม่ได้อยู่ส่วนไหนสักแห่งล็อกในตัวนั่นน่ะแต่ว่าพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั่นแหละจนละตัญหาได้นิพานก็ก็อยู่ใกล้ๆแถวนั่นน่ะแต่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะแต่เข้าใจผิดไปอยู่ตรงนั้นในแย่เลย ถ้าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะขอมาหน่อยซื้อขายกันได้ไหมนะว้างบัดนี้ <c oughs> เพราะไม่มีอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเราหรอกแต่ว่าจะทำนิโรธให้แจ้งก็ต้องพิจารณาสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละก็ะถามหาโกรธสัตว์จะอันไหนเนอะในส่วนทั้งหลายเหล่านั้นนี่นะหรือโกรธปฏิจจสมุปบาทของเขาในตัวของเขา ไม่โกรธที่สังขารของเขาเนี่ยมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยแท้ๆเลยน่าโกรธจริงๆนสังขารเป็นปัจจัยกับวิญญาณนั่งโกรธวิบากจิตเขาทั้งหมดอีกโกรธเจตนากรรมในอดีตที่เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเรือวโกรธนามรูปเนี่ยนะทั้งกรรมมาชะรูปโกรธเจตที่ประกอบกับวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยแก่นามรูปมันก็น่าโกรธแล้วเราคิดเนี่ยมันไม่ใช่นามรูปมั้งเลยมันก็พ อ, พอๆกันนะเนาะ เกิดมาก็ถูกมัดจูครอบงำเหมือนกันเงยังโกรธกันอีกกนนะเดี๋ยวเราก็ไล่ไปอีกใช่ไหมเอ้านามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายยตนะนีนะมหาภูตรูปเป็นปัจจัยให้เกิดจักหายตนะเป็นต้นเนี่ยนะหรือชีวิตรูปก็เป็นปัจจัยแก่จักหายตนะเป็นต้นเนี่ยนะเฮ้ยเราโกรธอยสลายตนะเอานามรูปไหนดีนะเฮ้ยหรือโกรธจักขายตนะ เนี่ยนะโกรธสลายยตนะเอ้ยโกรธอายตนะภายในหรืออายตนะภายนอกในตัวเขาเอ้ยหรือโกรธภาษะอะไรเรืยโกรธเวทนาหรือเปล่าหรือว่าโกรธโลภะที่เขาเกิดขึ้นเมื่อเขาได้รับเวทนาแล้วนะโกรธตัณหาซึ่งมีเวทนาเป็นปัจจัยหรือโกรธอุปาทานของเขาโกรธการมุปาทานของเขาหรือว่าโกรธทิฏฐุปาทานของเขาเพราะทิฏฐิของเขาแเลยแท้เลยเราจึงนั่งโกรธอยู่นี่เหมือนกัน หรอโกรธศีลพระตุปาทานของเขาโกรธอัตวาทุปาทานโกรธตัวเอทิฐิเจตสิกที่ไปคิดว่าเป็นอัตตาอุปาทานมันก็เป็นปัจจัยแก่ภพเป็นปัจจัยแก่เจตนากรรมโกรธเจตนากรรมอีกทั้งที่เป็นอะไรนะกรรมประเภทกรรมมาภพโกรธกรรมมาภพหรือเปล่าหรือโกรธอุปาติภพในภพเหล่านี้เอ๋กรรมมาภพก็เป็นกามมาวจร กรการมาวจรหรือโกรธรูปาวจรอะไรเงี้เนี่ยเอ้ยพบมันเป็นปัจจัยกับชาติเอ้ยโกรธการเกิดใหม่ของเขาอีกเขาเกิดก็ยังโกรธเขาอีกเนาะเขาจะปฏิสนธิของเขาเนยังไปโกรธเขาอีกเนาะเอ้ยถ้าเขาโกรธมาเขาก็แก่ก็ไปโกรธความแก่อีกหรือโกรธชรานะเอ้ยแก่มันก็ต้องป่วยติดตามมาด้วยนะหรือโกรธโรคภัยไข้เจ็บที่มีในตัวเขาแสดงว่าก็หวังดีกับเขาหน้าดูเลยนะไปตามโกรธไอรังเกียรโรคภัยไข้เจ็บที่ติดตามเขา ก็ไล่ไปเองเอ้เขาเนี่ยเขาก็ต้องตายเออโกรธความตายที่มีในตัวเขาหรือว่าอาศัยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทำให้เขาเกิดโศกะเขาเสียใจหรือโกรธความเสียใจของเขาก็ไล่ไปเรื่อยใช่ไหมโศกหรือปริเทวะโกรธที่เขาร้องให้คําควรหรือเปล่าหรือโกรธเวลาเขาเจ็บเวลาเขาปวดอย่างเงี้ยทุกข์นะ ห, หรือโกรธเวลาที่เขาโทมนัสคือเสียใจ หรือว่าไปโกรธตอนที่เขาประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักหรือไปโกรธตอนที่เขาพลาดพลาดจากสิ่งอันไม่เป็นที่เอ้พลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักอไปโกรธช่วงไหนกันนะไล่ไปเรื่อยใช่ไหมโกรธเหตุปัจจัยในตัวของเขาเขามีเหตุถกเยในตัวเขาอะโลพาเหตุโทสะเหตุอโลพะอโทสะโมหะเหตุอย่างนีเ้เหตุเหล่านี้ก็ทําให้เกิดปัจจยุปันเป็นปัจจัยแก่จิตตะชรูป โกรธเหตุปัจจัยนะที่มันเป็นเหตุทําให้เกิดจิตเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นปัจจัยกับจิตตชรูปหรือโกรธอารามมณปัจจัยของเขาอะ่ะเขาได้รับอารามมณปัจจัยทั้งสีทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโภตาภาะและธรรมอารมณ์โกรธอารามมณปัจจัยในส่วนไหนบ้างโกรธอธิปฏิ ป, ปัจจัยเขามีฉันทามากเราเลยโกรธเลยเขามีวิริยะมากเลยโกรธแล้วเขามีจิตใจเขาใหญ่มากนะนะใจเขาเป็นอธิบดีเลยโกรธเลย หรือโกรธเขามีปัญญา ม, มากขณะที่เขามีวิมังสาเป็นอธิบดีหรือโกรธอารมณ์ที่เขาฝักฝ่ายมากนะสีเสียงเปลี่นรสโพธาพะเป็นอารมณ์ที่ทําให้โลภะฝักใฝ่ายในตัวของเขาเนี่ยก่อให้เกิดโลภะที่เราฝักฝ่ายแล้วโกรธอารามนาที่ปฏิปัปจจัยพวกนั้นหรือเปล่านะหรือโกรธอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยจิตแต่ละดวงซึ่งเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปโกรธจิตดวงไหนดีนะ ว่าจิตทุกดวงเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยกัจิตทั้งหมดนะซึ่งสืบตามกันตามลําดับเรียกว่าจิตตนิยามก็ไล่ไปเรื่อยใช่ไหมหรือโกรธสมนันตระปัจจัยโกรธอัญญามัญญะปัจจัยแม่จิตเจตสิกเนี่ยมันอาศัยกันและกันเนี่ยนะทั้งจิตทั้งเจตสิกเนี่ยมันเป็นอัญญามัญญอาศัยซึ่งกันและกันมหาภูตรูปก็เป็นอัญญามัญญปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันน่าโกรธหรือเปล่าอัญญมัญญะปัจจัย โกรธสหาชาตปัจจัยมหาภูตรูปดันไปเกิดร่วมกันอีกนะเอมหาภูตรูปยังเป็นสหาชาติปัจจัยแก่อุปาทายรูปอีกไม่นะโกรธด้วจิตเป็นสหาชาตปัจจัยแกเจตสิกเจตสิกเป็นสหชาตปัจจัยแก่จิตเอ้มันน่ากโกรธหรืเอเปล่าไอจิตเจตสิกเป็นสหาชาติปัจจัยแก่จิตแตชรูปอน่ากโกรธลายอีกใช่ไ้ย ไล่ไปทั้งปัจจัยทั้งยี่สี่เลยนะสหชาตปัจจัยอะไรปัจจัยอีกนันติงปัจจัยอะไรอีกฮะอัญญะมันว่าไปแล้วนะนะเหตุปัจโยรัมนาปัจโยทิปติปัจโยอนันตระปัจโยสมนันตระปัจโยสหชาตปัจโยอัญญามัญญปัจโยนิสยปัจโยนิสยปัจใจเอ่อนิสยปัจัยก็เหมือนกับสหชาตปัจใจอะไรนแหละนะนิสยปัจโยหรือโกรธอุปนิสยปัจโย นะโกรธอุปนิสัยปัจจัยเข้าหรือเปล่า อ, อุปนิสัยก็มีเยอะนะกุศลกุสโลนะกุศลเป็นอุปนิสยัยแก่กุศลเออกุศลก็เป็นอุปนิสัยแก่อักุศลกุศลก็เป็นอุปนิสัยแก่อพยากระตะโกรธอุปนิสัยส่วนไหนดีไล่ไปให้หมดเลยนะนะเอาพระไตวปิดกมาไล่นะสงเคราะห์พะไตวปิฎกลงในตัวเข้าให้หมดเลยเสร็จแล้วก็มานั่งโกรธส่วนไหนะนะ โอ้สงสัยได้ดีแน่นอนนะแต่ความโกรธมันไม่ทำให้ฉลาดขนาดนี้หรอกเนาะปั <c oughs> หาเวลากโกรธขึ้นมันไม่ได้ฉลาดขนาดนี้นะมุดหมดเลยเพระธรรมคำสอนเนี่ยหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ <c oughs> เหลืออย่างเดียวเลยโทรมนัท <c oughs> <c oughs> โทรมนัทเวธนาเกิดเรื่อยเลยนะโอ้หน่าเจริญหน้าสงสารนะเพราะพะผู้มีพระภาครทรงตรึงตรัสว่านะ <c oughs> ความโกรธย่อมยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดนะแล้วก็ภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยคนโกรธก็ไม่รู้สึกคนโกรธไม่รู้อัดคนโกรธไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่ความโกรธครอบงำก็เหลือแต่ความมืดมองเห็นประโยชน์ตนก็มองไม่เห็นประโยชน์ท่านก็มองไม่เห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็มองไม่เห็น ประโยชน์โลกนี้ก็มองไม่เห็นประโยชน์โลกหน้าก็มองไม่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งก็มองไม่เห็นปัญหาที่เรากําลังโกรธนี่มันใหญ่ที่สุดแหละในโลกนี้มีปัญหาใครใหญ่เท่าปัญหาเราหรอกใช่ไหมว่าโทสะมันเกิดมันปิดบังความจริงหมดปัญหานั้นบางทีมันแก้ไม่ยากนักหรอกแต่ว่าโทสะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับฝุ่นเข้าตาที่จริงมันไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรหรอกแต่ว่ามันเข้าตานี่มันใหญ่นะ แต่ฝุนเท่าแก้วน้ํานี่มาเข้าตานี่แย่เลยแต่ว่าฝุ่นล็กๆมาเข้าตามทาให้ระคายเคืองตาโทสะเหมือนกันเวลามันเข้าไปในจิตของผู้ใดมันก็ทําให้จิตนี่ระคายเคืองแล้วก็โทสะนี่มันเป็นประเภทเหมือนกับไฟอะนะก็เผาไปเรื่อยเผาทั้งตัวเองด้วยเผาสัมปยุตรธรรมด้วยเผารูปนะมันไปเผาก ร, ร ม, มาชรูปด้วยนะเผาจิตต่ชรูปเผาอุตูชรูปเผา อาหารเชรูปนะีนะเผารูปอย่างเอออีกเผาถึงที่สุดเลยตกนรกเลยเนี่ยนะนะเาะเชื้อนั้นเนี่ยมันเป็นเชื้อที่อันตรายมากแต่ก็ไม่เห็นโทษเนี่ยนะนะแต่ถ้าบุคคลเห็นโทษจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่านี้เป็นฆาศึกภายในเป็นศัตรูภายในเป็นอมิตภายในเป็นเพชฌคาดภายในเนี่ยนะนะอันเขาเกิดมาเนี่ยาสร้างความเสียหายมาก แต่มันน่าโกรธจริงๆอ่ะเนะาะก็เขาไม่ทําอย่างนี้หรากว่าไม่โกรธเลยนะแต่มันไม่มันน่าจะทําอย่างอื่นไม่น่าทําอย่างนี้เลยนะสรุปแล้วเข้าข้างจนโกรธจนได้น่ะนะโกรธต่ออีกโกรธมาจนชํานาญนะอ่ะเนาะเออมีพระองค์หนึ่งเนี่ยนะขนาดภาษาดิบุตรลุกขึ้นอ่ะชายจีวรเนี่ยนะพัดระเหยท่านหน่อยงั้ น, นท่านยังโกรธภาษาริบุตรเลยนะนะลองฟังพระสูตรนี้สูรตรดู จะหาเรื่องโกรธนะท่ารหัารยังโกรธเลยอนะ่ะบางคนเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้ายังโกรธเลยใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวอาทิตยเห็นพระพุทธเจ้าโกรธนะโอ้โหทาไมคนนับถือมากจริงๆอะ่ะโกรธเขาอีกโกรธที่พระพุทธเจ้าได้ลาบสาการะมากวางแผนหาเรื่องโกรธไปหมดเนะ่ทางของเรานี่ถ้าสะสมบ่อยๆมากๆเนี่ยนะมันได้เชื่อมาเนี่ยโกรธหมดนะไปโกรธท่ารหารเข้านี่โหแย่เลยนะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอุตส่าห์ทําความดีนะ้ะเยอะแยะไปหมดเลยะ แต่ถ้าโกรธแล้วไม่ขอโทษท่านนแย่นะข้อความในสีหานาตวัคที่สองเนี่ยนะอังคุตรนิกายนวากานิบาตวุธิสุดว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เจริญกายยคตาสติปราั้ น, นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวถีครั้งนั้นแลท่านภษาริบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จําพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแล้วข้าพระองค์ปรารถนาจะลีกจาริกไปในชนบทนะนะก็คือไปขอลาจาริกนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรเธอจงสําคัญการอันควรณบัดนี้เธอเห็นนะ พิจารณาเอาว่ากั้นลําดับนั้นท่านภาษาริบุตรลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแลเมื่อท่านภาษาริบุตรหลีกไปแล้วไม่นานภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านภาษาริบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษหลีกจาริกไปนะพอ พลสายตาไปหน่อยฟ้องแล้วทั้งนี้ไม่ระวังกันกระทบแล้วก็ไม่ขอโทษก็ยังไปอีกเหมือนกันลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสุรูปหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุเธอจงมานี่จงไปเรียกสารีบุตรตามคําของเราว่าดูก่อนอาวุโสสารีบุตรภาษาสดารับสั่งให้หาท่านพิสุรูปนั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่า ดูก่อนอาวุโสสาริบุตรภาษาสดารับสั่งให้หาท่านท่านภาริบุตรก็รับคําของพิสูจน์นั้นแล้วก็สมัยนั้นแหละท่านพระมหาโมกขลานะและท่านท่านนได้ถือลูกดานเที่ยวประกาศไปตามมิหารว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงรีบออกเถอดจงรีบออกเถิดบัดนี้ภาษาบุตรจะบรรลือาาศีหันนาถเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนก็คือ อาศัยเหตุการณ์อันเนี้ยภาษารีบุตรจะบรรลือศีรนาฏองนั้นแหละคือเรื่องมีอยู่ว่าในยะว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยนะเห็นพระเถระมาด้วยภิกษุบริวารเป็นอันมากคือช่วงที่ภาษารีบุตรมาพระพุทธเจ้าเนี่ยชวนหมู่ภิกษุเนี่ยมาเยอะก็เลยคิดว่าพวกภิกษุเหล่านี้ทิ้งพระตถาคตแล้วออกไปแวดล้อมภาษาลีบุตรเราจะทูลห้ามการไปของพระเถระนั้นเสีย เห็นพระไปเยอะเดยเฮ้ยเดี๋ยววัดมาวัดจะร้างหรือเปล่าเนี่ยติดตามภาษาริบุตรไปหมดเลยเนี่ยผูกความโกรธโดยมิใช่ฐานะไม่จําเป็นจะต้องไปเสียใจขนาดแล้วก็ยังยังโกรธเลยนะสะสมมานะั้นถ้าเราไม่สมาทานที่จะเห็นโทษของความโกรธเนี่ยนะมันได้ทุกๆอารมณ์ก็โกรธหมดแล้จึงได้กราบทูลแล้วอย่างนั้นถามว่าพิสูจนนั้นผูกอาฆาตในเพราะเหตุไรตอบว่าชายจีวรของพระเถระผู้กําลังลุกขึ้น ไปไหว้พระทศพลถูกตัวของพิษุนั้นเข้าลุกขึ้นก็ธรรมดานะหรือบางท่านกล่าวว่าลมพัดไปถูกเอาดังนี้นะคือลุกขึ้นก็มีลมไปกระแทกบา้างนั่นแหละแค่นั้นแหละท่านก็ผูกอาคาตด้วยเหตุประมาณเท่านี้แล้วเมื่อได้เห็นพระเถระไปด้วยบริวารเป็นอันมากก็เกิดริษยาขึ้นจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราจักทูลห้ามการไปของพระเถระนั้นเสียดังนี้นะ พระศาสดาก็สดับคําของพิสูจน์นั้นแล้วก็ทรงรู้ว่าเมื่อใครพูดคัดค้านว่าพระสารีบุตรมิได้ประหารภิสูจน์นั้นเธอจะทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เข้าข้างฝ่ายพระอัครสาวกของพระองค์อย่างเดียวมิได้เข้าข้างข้าพระองค์ดังนี้แต่พระพุทธเจ้าบอกเอ๊ะพระสารีบุตรทําเมื่อไหร่อย่างนี้เอ๊ะนี่พระพุทธเจ้านี่เห็นว่าเข้าข้างลูกศิษย์เนี่ยเข้าข้างอัครสาวกข้างขวาก็บอกว่าพึงใจเจ็บในพระองค์แล้วก็จะไปบังเกิดในอบาย แล้วก็ได้ตรัสสั่งกับพิสูรรูปหนึ่งให้ไปรเรียกภาษาริบุตรมาเราจักถามเรื่องนี้ดูดังนี้ทีนี้ฝ่ายพระอานนท์กับพระมหาโมคคลานะเนี่ยนะรู้เข้าก็เลยไปตามกุฏิเนี่ยนะไปเที่ยวเคาะเคาะเคาะโอ้ยมันภาษาริบุตรจะบรรลือศีหนาฏนะไปดูเหมือนนั้นนะสำนวนเราก็บอกว่าไปฟังภาษาริบุตรคํารามดูเหมือนนั้นเสีย์นาฏก็คือคํารามนั่นแหละถ้าถ่านั้นยังจอกไม่ใช่นะ หอนมัมันมีมีเรื่องว่าราชสีเนี่ยนะเวลามันกินเนื้อกินอะไรเนี่ยมันก็มันคำรามลั่นสุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็กินจนอ้วนพีเหมือนกันเออราชสีนี่คำรามเขาจะเอามั่งหอนเห็นท่านเตนเไปเรียนแบบไม่ได้นะครั้งนั่นแหละ ท่านภาษาริบุตรก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับมานะเมื่อเมื่อไปเรียบท่านก็มาถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านภาษาริบุตรว่าดูก่อนสารลิบุตรเพื่อนพรหมจารย์รูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้กล่าวหาเธอว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านภาษาริบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษหลีกจาริกไปนะนะ อาาริบทก็เลยกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายัคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายคือไม่ตั้งกายัคตาสติเอาไว้ในกายกายัคตาสติเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของมหาุมหากุศลหรือมหากิริยานั่นแหละเห็นมมหากุศลหรือมหากิริยานั่นแหละ สติที่เกิดร่วมกับมหากุสลมหากิจกิริยาที่พิจารณาในในกายเนี่ยน ะ, ะคือภิกษุรูปใดที่ไม่ตั้งมหากุสลอันนั้นเนี่ยนะเพื่อพิจารณากายว่า ง, งั้นเถอะภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้ไม่ขอโทษแล้วพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่นะบอกว่าคนที่กระทบกระทั่งคนอื่นแล้วไม่ขอโทษขอโพยแสดงว่าคนนั้นไม่ได้เจริญ กายคตาสติไม่ได้เจริญมหากุศลอันนั้นหรือไม่ได้เจริญมหากิริยาอันนั้นแน่นอนว่างั้นจึงได้มีมานะเย่อหยิ่งทำผิดพลาดแล้วก็ไม่รู้จกักขอโทษขอโพยว่างั้นไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยนะเพราะไม่ได้เจริญไอสติอันนี้แน่นอนนะไม่ได้เจริญสติที่ไปพิจรารณากายในภายในนี้แน่ข้าแต่พระองค์พูดเจริญชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำน้องบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ได้อุดอัดระอา ห, หรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าแต่ข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหลมีใจเสมอด้วยแผ่นดินอันไพบูร์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจา ร, รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่นแสดงว่าไม่เคยพิจารณากายตัวเองเลยว่างนั้นเถอะว่าอะไรเป็นอะไรในกายเนี่ยไม่ได้ใคร่ครวนไม่ได้เจริญเลยคำว่ากายคตาสติเป็นชื่อของสติที่พิจารณากายพิจารณาโดยอาการเท่าไรเรียกว่ากายคตาสติ นะคำว่า ก, กายคตาสติก็คือกายทั้งสิบสีบพะนั่นแหละหรือแม้กระทั่งฌานที่เกิดจากการพิจารณากายก็เรียกว่ากายคตาสติเนี่ยนะนะอาณาปานสติก็เรียกกายคตาสติเนี่ยนะทั้งสิบสี่พะก็เรียกกายคตาสติแม้แต่ฌานที่เกิดขึ้นจากการพิจารณากายฌานนั้นก็เรียกว่ากายคตาสติหมดเลย ดูในกายคตาสติสูตร น, น, นะนะแต่ถ้าหากว่าพิสูรรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญมหากุศลมหากิริยาอันนี้ซึ่งการพิจนารณากายโดยละเอียดละ อ, อุท้วนทีเหล่านี้แล้วเนี่ยก็คงเวลากระทบกระทั่งแสดงว่าไม่รู้จักที่ต่ำไม่รู้จักที่สูงไม่รู้จักเพื่อนพรหมจรรย์รู้อะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยคงเป็นเช่นนั้นเป็นแน่วางกันเถอะแต่ว่าภาษาบุตรนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะใจของท่านเหมือนกับ แผ่นดินเหมือนกบทว่าปะทวีเสเมนะได้แก่ชื่อว่ามีใจเสมอด้วยแผ่นดินเพราะไม่โกรธเพราะไม่ประทุสร้ายแผ่นดินมีโทสะไหมไม่มีภาษาริบุตรก็ไม่มีโทส ะ, นนะะสทเนี่ยนะภาษาริบุตรเนี่ยจิตเป็นจิตชนิดไหนชาติไหนชาวนะของท่านเป็นชาติชาติกิริย า, า, าเป็นกุศลอกุศลเรือพยากากริยา เป็กิริยาเป็นกุศลอกุศลเรืออ่องอภยกตะเป็นอัพยากตะเนี่ยนแผ่นดินนี้เป็นกุศลอกุศลเรื่องอภยกตะอัพยากตะนะท่านแผ่นดินไม่กโกรธภาษาริบุตรก็ไม่ไม่กโกรธเหมือนกันเนี่ยนเพราะเป็นอัพยากตะเหมือนกันเพราะท่านเนี่ยละเชื้อแห่งโทสะได้หมดแล้วอุปนิสัยแห่งโทสะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคนจะเอาดอกไม้ของหอมไปบูชารูปไร้ครึ่งตัว อีกข้างหนึ่งเนี่ยนะเอาของที่น่าขยะขยงที่สุดไปรูปไรอีกข้างหนึ่งใจท่านเสมอเหมือนเดิมบั้งกันคือเสมอไม่มีโลภเกิดยินดีทางนี้ไม่มีโทสะเกิดยินร้ายในทางนี้เนี่ยนะท่านเป็นลักษณะนั้นของเรานึกไม่ถูกอ่นะเนาะก็เดินปาดหน้าหน่อยก็ไอ้ชักมันสนกแล้วนะลองเขาเดินข้ามถนนไม่ดูเราเอชักตังหง์เหตุตัณเหตุแล้วนะสังเกตเวลาขับรถเนี่ยบางทีเนี่ยลืมหมดเลยเนะี่ยลืมสูตรหมดเลย พระธรรมไม่ได้นำหน้าเราใช่ไหมเหลือแต่โทสะนำหน้าไปอย่างเดียวเพรา ะ, ะแท้จริงเนี่ยแผ่นดินจะไม่ทำความสุขใจว่าชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดลงบนเราดังนี้จะไม่ทำความทุกข์ใจว่าชนทั้งหลายทิ้งของไม่สะอาดลงดังนี้ท่านแสดงว่าถึงจิตของข้าพราะองค์ก็เห็นปานี้วิปุเรณนะไม่น้อยมหคเตนะถึงจิตเป็นจิตที่กว้างใหญ่ อปประมาณเนนะขยายออกไปไม่มีประมาณอะเวเรนะได้แก่เวนแล้วจากเวนต่ออกุศลและเวนต่อบุคคลคือเนี่ยนะท่านไม่นเนีมีเวนต่ออกุศลใดๆทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีเวนต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยว่า้นอัพยาปาเชนะได้แก่ไม่มีทุกข์คือปราศจากโทมนัต โสอิทะได้แก่ภิกษุนั้นเป็นผู้มีกายานุปั ส, สนาสติปฐานไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วพึงกระทำอย่างนี้ น, น, นะใครที่ไม่เจริญกายานุปั ส, สนาสติปทานเนี่ยคงจะมีมานะกล้าเพราะว่าการเจริญกายานุปั ส, สนาสติปฐานพิจาจรณาถึงความจริงของกายแล้วก็จะไม่พึงมีมานะอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ผู้ที่สาคัญกายตนเนะี่ยนะพิจารณากายของตัวเองด้วยความวิจิตอย่างใดอย่างหนึ่ง นะแล้วก็ดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัตว์ใช่ไหมได้คาถานี่ยไว้ชื่นใจหน่อยงกนะันบอกว่าผู้ที่อาศัยแต่ละอย่างเนี่ยนะอาศัยกายเป็นต้นเนี่ยแล้วดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัตว์นนะเพราะจิตที่เรานึกตําหนินึกเหยียดยามนึกดูหมิ่นนึกดูแคลนทั้งหลายแหล่เนี่ย จิตขณะนั้นไม่ได้เป็นกุศลอะไรเลยใช่ไหมเมื่อไม่เป็นกุศลเนี่ยอวิชาก็เกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ไม่ได้เห็นทุกขสัตว์สมุรทรยศสัตว์ไม่เห็นสัตว์จะแม้แต่อย่างเดียวข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญบุคคลผู้เช่นข้าพระ อ, องค์จักทากรรมเห็นป่านนั้นได้อย่างไรคือท่านเนี่ยอบรมกายคตาสติมาเป็นอย่างดีว่างั้นท่านจึงบรลลูแล้วซึ่งสีหน่าเป็นครั้งแรกว่างั้นทีนี้ต่อไปว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายย่อมล้างของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างลงในน้ำน้ำก็ไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยน้ำอันภัยบู์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวนไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติ อันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้ไม่ขอโทษพึงหลีกออกไปเป็นแน่นะเพราะว่าคนที่เจริญกายยักาตาสติก็เอ๊แผ่นดินภายนอกกับแผ่นดินภายในต่างกันไหมใช่ไหมแผ่นดินภายนอกกันแหละปลูกผักปลูกหญ้าก็มาเป็นอาหารในภายในนี่ใช่ไหมเพราะเจริโตมาทีแรกก็ไม่ได้โตมาขนาดนี้ใช่ไหม นะกายนี้อาศัยอะไรเกิดขึ้นพุกามนี่คล่องเลยนะก็กายอันนี้ <laughs> มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเ <laughs> จริญด้วยข้าวสุกและขนมสดมาเงินต้องอบต้องนวดอยู่เป็นนิดท่านจงพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยง <laughs> เป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบาก <laughs> แล้วก็พิจารณาถึงเวทนาที่อาศัยกายนี้ บางครั้งกเเ็เสเวยสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนาก็ไม่มีเวทนาอย่างอื่นเจือปนเลยมีแต่เวทนานั้นล้วนๆก็พิจารณาไปอย่างนี้เรื่อยๆนะน่าจะฉลาดอย่างนี้นะอภิชาแท้มทำให้ไม่พิจารณานะก็บอกว่าน้าไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดว่างั้นท่านก็ไม่มีใจอึดอัดระอาเอ๊น้ําอยู่ภายในเรากับน้าภายนอกต่างกันไห น้ำในตัวเรากับน้ำในลําคลองเนี่ยต่างกันตรงไหนบ้างบางทีน้ําในลําคลองน่าจะสะอาดกว่านะกล้าจะตักดื่มกินได้น้ำในตัวเราเนี่ยตักดื่มได้ไหมโอ้โแย่เหมือนกันนะใครไปตักน้ําส่วนใดส่วนหนึ่งมากินเนี่ยแย่เลยนะน้ําใสๆหน่อยก็น้ําตาเนั่ยแหละส่วนที่เหลือไม่มีใสสักอย่างเลยต้องผ่านเครื่องกรองไม่รู้กี่ชั้นจึงจะใสบ้างเพรานะฉะนแต่น้ําก็ไม่รู้สึกอึดอัดอาเกลียดชังอะไรเลยนะ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 ข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลงหิตบ้างไฟย่อมไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระ อ, องค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยไฟอันไพ่บูร์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวนไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญกายขตตาสติอันเพียสุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกาย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 อันภัยบู์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญกายยัคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจันทรูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่เพราะว่าธาตุดินน้ำลมไฟในภายในข้างเราเนี่ยกับภายนอกก็ไม่ต่างกันใช่มผู้ที่มีการอ บ, บรมแล้ว เส้นผมของเรากับญ้าเนี่ยต่างกันตรงไหนใช่ไหมเส้นผมกับญ้านี่ต่างกันไหมต่างกันไหมต่างโดยสมุดฐานนะแต่ในความเป็นรูปไม่ต่างกันต่างกันโดยสมุดฐานเท่านั้นเองเนะพ่ออะไรเพราะภายนอกก็รูปภายในก็รูปเป็นอพยากตะเหมือนกันเท่านั้นแหละเพราะบางทีก็ต้องอาศัยญ้านั่นแหละมามาส่งเสริมไ้รูปภายในนี่อีกครั้งนะึงนะ จะไปสําคัญอะไรนะักหญ้าบางทีไม่ต้องอาศัยเราเขาก็งอกได้นะแต่เราก็ต้องไปอาศัยพวกผักไม้ใบหญ้านะั่นแหละมาเจริญเติบโตอยู่นี่นะนผู้ที่พิจารณาธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟภายในมากก็จะเห็นภายนอกเหมือนกันเมื่อเห็นภายในภายนอกก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสําคัญให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดมานะอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่ดูหมินดูแคลนเหยียดยามเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่เกิด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าสำหรับเช็ดธุลีย่อมชำระของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูงดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำนองบ้างเลือดบ้างผ้าเช็ดธุลีย่อมไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยผ้าสำหรับเช็ดธุลีอันไพ่บุญกว้างใหญ่ ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญกายยคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกไปเป็นแ น, น่แสดงว่าถ้าเจริญกายยคตาสติกายานุปัสนาในกายนี้มากๆนะนะกายเรากับผ้าเช็ดธูลีจะต่างอะไรกันใช่ไหมบางทีผ้าเช็ดธูลีก็น่าจะ สะอาดกว่าใช่คือผ้าเช็ดทูลีมไม่ได้สกรปรกมาแต่เดิมใช่ไหมแต่ว่ามาเช็ดกายนี้เข้าบ่อยๆเนี่ยสังเกตดูผ้าเช็ดตัวเนี่ยนะเช็ดหนักๆเข้าไอ้ลำบากกันนะต้องขยันซักหน่อยนะแสดงว่าไม่สะอาดเลยแต่ผ้าเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาอ่ะนะถ้าซักสะอาดๆเนี่ยใครก็กล้าไปเช็ดตัวเราเนี่ยเอาไปเช็ดอะไรได้บ้างพักอย่างข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญกุมารหรือกุมาริกาของคนจันทันเหมนก็คือสำนวนนะก็คือเด็กจันทัน ถือตะกรา้านุ่งผ้าเก่าๆเข้าไปยังบ้านหรือนิคมย่อมตั้งจิตนอบน้อมเข้าไปแม้ชันใดข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแหลมีใจเสมอด้วยกุมารหรือกุมาริกาของคนจันทานนั้นก็บอกว่าใจของท่านเนี่ยนอบน้อมแบบมีความรู้สึกไม่ได้มีรู้สึกลำพองอะไรเลยเหมือนกับเด็กจันทานนั่นแหละ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 ศึกษาดีแล้วเนี่ยเดินไปตามถนนหนทางตามตรอกเล็กซอกน้อยก็ไม่เอาเท้าหรือเขากระทบอะไรอะไรแม้ชั้นใดข้าพระ อ, องค์ก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันแหละมีใจเสมอด้วยโคเขาขาดโคไม่มีเขาอ่ะนะไม่ใช่โคเขาพึ่งงอกนะโคเขาพึ่งงอกเนี่ยมันชอบชน <c oughs> น, นะนะเขาบอกว่าโคเนี่ยมีเขาแล้วละ่ะแต่เขาตัดออกนะ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 เป็นคนชอบประดับตกแต่งพึ่งอึดอัดระอาเกลียดชังด้วยซากศพงูหรือซากศพสุนัขที่เขาผูกไว้ที่คอแม่ฉั้นใดข้าพระ อ, องค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแหลย่อมอึดอัดระอาและเกลียดชังด้วยกายอันเปื่อยเน่านี้ว่างั้นท่านรู้สึกรังเกียดกายของท่านเหมือนกับคนชอบสวยชอบงามแขวนศพคอไวแขวนศพงูศพ ส, สุนัขไว้ที่คอว่างัน้นรังเกียจอย่างนั้นแหละ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 นึกภาพอีกในยะหนึ่งก็เหมือนกับถังขยะถังขยะเปียกอะนะมันมีรูทะลุซึมเข้าซึมออกเงี้ น, นข้าพระ อ, องค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแหละย่อมบริหารกายนี้มีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญกายยัตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายเพิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจารย์รูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกไปเป็นแน่ โอ้โหปมาณน่าดูนะ น, นะท่านไม่ได้รู้สึกมี mana พนะยองลำพองขนแม่แต่นิดเดียวเลยในในความรู้สึกของพระอัครสาวกภาษาริบุตรนี้ถ้าโดยรูปร่างท่านก็เป็นคนรูปงามนะหรือว่าโดยทรัพย์เนี่ยท่านมีทรัพย์เนี่ยนะคือ500กว่าโกดะมหาเศรษฐีทั่วไปก็จะมีประมาณ80โกดแต่ของท่านมีเกิน500โกดะั้นทั้งโดยอักตตำแหน่งของท่านก็อัครสาวกแต่มองว่า ในความไม่มีกิเลส ข, ของท่านเนี่ยนะท่านโหละกิเลสได้แล้วนี่ยดีจริงๆเนาะที่ไม่ค่อยดีก็มีกิเลสนี่แหละแสดงว่าท่าน เ, เป็นพระอารหันต์แล้วท่านยังเจริญสติปัฏฐานอยู่ไม่เลิกเจนถอ <h ums> เพราะว่าการเข้าพระสมมาบัติเป็นต้นก็ต้องพิจารณากายเป็นต้นนั่นแหละจึงจะเข้าพระสมมาบัติได้ก็ต้องพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนั่นแหละจึงจะเข้าพระสมมาบัติ เพื่อทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมแสดงว่าการเจริญสติปัฏฐานนี้ทําให้เกิดความสุขในในปัจจุบันเนจริญฐานใช่ทําให้เกิดความสุขทําให้เกิดมีแต่ผลดีทั้งนั้นนะแม้แต่เรื่องนี้นะถ้าไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็คือถ้าไม่ได้เจริญมาก่อนเนี่ยนะอาศัยเหตุการณ์นี้ท่องสฉุนกลับมาเลยนะ <laughs> เอ๊ะอะไรกันเนี่ย <laughs> คงรู้สึกฉุนกลับไปนะแต่ท่านเฉยๆนะท่านก็คือเดินไปแบบสงบเสงี่ยมกลับไปทูลพระผู้มีพระภาคด้วยจิตที่อ่อนน้อมลําดับนั้นพิสุนั้นลุกจากอาสนะกระทําผ้าอุตตราสงเฉียงบาข้างหนึ่งมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวแล้วกลับทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาน แสดงว่าพาละนี่โง่เต็มทีเลยนะเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดอย่างไรที่ข้าพระ อ, องค์ได้กล่าวตู่ท่านภาษารีบุตรด้วยคําอันไม่มีคือด้วยคำอันไม่จริงว่างั้นเถอะเปล่าเท็จไม่เป็นจริงขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับโทษของข้าพระ อ, องค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสํารวมต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุ โทษได้ครอบงําเธอผู้เป็นคนพานคนหลงไม่ฉลาดอย่างไรที่เธอได้กล่าวตู่ภาษาริบุตรด้วยถท่าคาอันไม่มีเปล่าเคสไม่เป็นจริงแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วกระทําคืนตามธรรมเรายอมรับเราย่อมรับโทษของเธอนั้นดูก่อนภิกษุข้อที่ภิกษุเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทําคืนตามธรรมถึงความสํารวมต่อไป นี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าเนไหมเพราถ้าเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วสังวรเนี่ยนะสังวรห้าต่อไปเลยต่อไปจากสังวรห้าเพิ่มขึ้นจะไม่ให้โทษแบบนี้เกิดซ้ํารอยอีกครั้งนี่เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะท่านนะไม่ใช่ว่าเห็นโดยความเป็นโทษแล้วก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวอย่างนั้นเลย ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเธอจงอดโทษต่อโมฆะบุรุษผู้นี้มิชนะโทษนั้นแลศีรษะของโมฆะบุรุษนี้จกแตกเจ็ดเสียงให้พระสารีบุตรเนี่ยขออดโทษให้หน่อยว่าไงถ้าไม่อดโทษเนี่ยหัวเนี่ยเจ็เสียงแน่ทันทีเลยนะเหมือนกับผ่าแตงโมรึเปล่าพ่าอย่างรวดเร็วเลยนะออกมาเจ็ดส่วนเลยผากี่ครั้งได้เจ็ดส่วนผ่าสองไม่สี่ส่วนใช่ไหม ผ่าสามครั้งได้เท่าไหร่ผ่าสามครั้งได้หกส่วน ไ, ได้ผ่าได้เจ็ดไม่ผ่าไงเนาะนึกไม่ออกเลยถูกหมดเลยกระจายเลยเนาะนะศนะีสศาเราเนี่ง่ายงายงั้นนะ เ, าาเหมือนกระถูกยัดปีกไม่ใช่เลยครับเจนพรค้ายๆแต่นี่ว่าโทษเนี่ยนะโทษโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าไอ้บาปที่ที่ไปทํากับท่านเนี่ยเหมือนกับที่โกคาริการพิสูจที่ไปกล่าวตูท่านอ่ะ อันนั่นก็ผุพองไปทั้งตัวหมดเลยอ่ะผุพองภายในไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยน ะ, ะท่านพระสารีบุตรก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมอดโทษต่อท่านผู้มีอายุนั้นถ้าผู้มีอายุนั้นกล่าวกะผ้าพระองค์อย่างนี้ว่าขอท่านผู้มีอายุนั้นจงอดโทษแก่ข้าพระเจ้าด้วยถ้าเขาขอโทษข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็อดโทษให้บางั้นไม่ได้ถือสาใดร้อ ก็นนะบอกว่าพระอริยเจ้านะถ้าเรากล่าวล่วงเกินท่านห้ามสวรรค์นะห้ามนิพพานนะถ้าเราล่วงเกินท่านอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปเนี่ยห้ามไม่ขอโทษนะไม่อดโทษเนะี่ยห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานอันในอัตถกถามหานิเทศกล่าวไว้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องขอโทษแล้วกันแล้วก็มีวิธีการขอโทษหลายอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นถามว่าท่านอธิบายเรื่องอะไรเรื่องที่ในวิชาสาม วิชาสมก็คือวิชาที่สองก็คือจุตูประปาตาหยานเห็นหมูสัตว์ไปตามกรรมใช่ไหมผู้ที่มีประพฤติการยะาทูจริตรวจีทุจริมโนทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิติเตียนพระอารียเจ้านะสมาทานมิจฉาทิฏฐินั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็ย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาสนรกอ่ะและท่านก็อธิบายถึงผู้ที่กล่าวเป็นอายุประวาทิอายุประวาทะนั้นเหตุกั้นทั้งสวรรค์กั้นทั้งนิพพานถ้าขอโทษแล้วก็ไม่กั้น แต่กรรมไม่ได้หมดนะเพียงแต่ว่าไม่กั้นในชาตินั้นแต่ถ้าได้ปัจจัยพร้อมวันหลังก็ให้ผลอีกนั่นแหละแล้วถ้ากล่าวจับช่วงพระธรรมหรืครับก็คิดดูนะว่าพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นต้นก็ยังมีโทษขนาดนั้นถ้าคําสอนก็ก็ซึ่งเป็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนี่ก็ไม่กล้าคิดต่อไปนะเพราะว่าโหคือคือเจตนาเนี่ยมันถือว่าเป็นเป็นของที่ที่ค่อนข้างหยาบมากะ พระพุทธเจ้าผู้มีคุณซึ่งคํานวณไม่ได้นะพระ อ, องค์นี่เป็นผู้ที่คํานวณไม่ได้ช่างไม่ได้ประมาณไม่ได้พระ อ, องค์ไม่มีใครเสมอพระ อ, องค์เสมอกับบุคคลผู้ไม่มีใครเสมอพระ อ, องค์นี่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุมตตญาณนัทธสนะสมบูรณ์ด้วยอริยคุณทุกอย่างทั้งโลิยธรรมและโลกุตระธรรมถ้าหากว่าเราไปมีจิตที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งกับท่านเนี่ยนะ คือคําพูดของท่านก็คือเหมือนกับตัวท่านนั่นแหละะฉคําสอนหรือที่เรียกว่าพุทธพจน์เนี่ยนะถ้าเราไปกล่าวด้วยจิตที่มีโทษอย่างใดอย่างหนึ่งก็ก็น่ากลัวเหมือนกันคือกล่าวในลักษณะไม่เห็นด้วยนี่ก็มีโทษไหมครับถ้ากล่าวว่าไม่เห็นด้วยมีโทษไหมก็ดูในในพระสูตรเนี่ยนะเทียบเคียงในอลหัตทูปมัสูตรกับในมหาตันหาสังกยาสูตรอะ ที่อย่างพระสาติเนี่ยนะมีความเห็นว่าวิญญาณเนี่ยเที่ยงกับพระอริทธาภิกษุที่ว่าการสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวสตรีไม่มีโทษอย่างเงี้ยนะอันนัในในสูตรนั้นแล้ในสูตรนั้นเนี่ยพระอริทธกับพระสาติเนี่ยไม่มีความเจริญงอกงามในคําสอนนี้โดยประการทั้งปวงระวั ง, งคื อ, ค อ, อเวลาอ่านพระไตรปิดกพระัตรปิดกเป็นของสูงฮะคงจะต้องระมัดระวังทางทางความคิด ทั้งทั้งการจะทาต่อต่อธรรมะนั้นฮะเช่นเราไม่ควรที่จะวางพระธรรมวางคัมภีร์เหล่านี้ในที่ไม่สมควรหรือว่าเราจะมีกิริยาอิริยาบทต่างๆก็ต้องให้หมอให้พวนกับกับคัมภีร์เหล่านี้นพอสมควรนะครับ เพราะว่าเราต้องไม่ลืมนะว่าดูก่อนอนอนธรรมวินยัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอเมื่อการล่วงไปแห่งเราเนี่ยนะอันพระองค์เนี่ยฝากฝังธรรมวินัยว่าเป็นศาสดาเป็นตัวแทนของของพระองค์แล้วเนี่ยนะอัตถกาถาท่านอธิบายว่าพระองค์นิพพานแต่เพียงผู้เดียวพระพุทธเจ้า 84% ดหมพันองค์เนี่ยจะคอยตามโอวาทอนุสาสนีแก่เธอแล้วดีกาวินัยเนี่ยนะในพาหิระนิทานและในวินีแต่วัตถุเนี่ยยกข้อความอันนี้เป็นประเด็น สำคัญมากนะพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันองค์นั้นแต่ละธรรมขันแต่ละธรรมขันถ้าเป็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามีจิตคิดเป็นอื่นถามว่าจิตนั้นมีโทษไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงวังนั้น